อยากเป็นจัดใหญ่เหตุกิดความอยากของผู้ปฏิบัติเมื่อถึงที่สุดอย่างนั้นมีความอยากอะไรก็ไม่ปรากฏในความวบริสุทอันนั้นทุกคังจึงไม่มีในความบริสุทธิ์ทั้งท่านอนัตตาจึงว่าไม่ใส่ตัวใส่ตนใส่จัดใส่บุคคลใส่เราใส่เขาอะไรเป็นอนัตตา ส่นนั้นเป็นอัตตาแล้วเปลนะนัตตาไม่มีม่อมท่านเข้าใจประจักษ์ธาตุใจแต่ว่าอัตตาก็ไม่ใช่แต่ว่าอนัตตาก็ไม่ใช่เจริธรรมที่ประจาักษ์ในตัวของท่นานในมีการในมีสมัยในมีการไปการอยู่ไม่มีการเสื่อมการเจริญในมีการเสดการดับเรียกว่าอนัตตาได้อย่างไรคูอเข้าใจเห็นประจักษ์ธาตใจจะรู้จะปฏิทัศ ในตัวของตัวเองนี่เป็นธรรมะในด้านปฏิบัติที่พวกเราท่านสนใจพากันกระทามบำเพ็ญแต่เทว่าที่จะไปรู้ไปเห็นไปเข้ายึดเข้าใจอย่างนั้นเป็นเรื่องผลเกิดขึ้นจากความขาดความเพียรของพวกเราท่านไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นจากการขาดาเสนอหการสุ่มเดามันเป็นผล ของทารแตะทำบำเพนต่างหางไม่ใช่เพ่งจุดเปลียนเราก็จะแปงเอาได้แต่ทำกายทางบาจาทำใจของเราอย่างไรส่วนผลที่มันจะเกิดขึ้นนั้นเป็นของที่สุดเหมือนกันกับผลไม้ต่างๆเนื่อถึงเวลามันก็เกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นจากต้นไม้ไม่ใช่เกิดขึ้นมาจากที่อืน่นส่วนผลมะม่วงมะทา ก็เขึ้นจากต้นของมันแต่บันยังไม่ได้ออกดองออกผลเราจะต้องหาขนาดไหนก็ไม่มีวั้นมีเวลาที่จะเจอว่ะมะม่วงมันอยู่ตรงนี้ลูกผลของมันมะพร้าวมันอยู่ตรงนี้หาไม่เจอเพรามันยังไม่ออกผลออกมาพอมันออกผลแล้วเรามองไปแต่ทางไปไปกไมองหยุนว่าเป็นผลมะม่วงหรือมะพร้าวเนี่ยมันยังไม่ออก าะหาอะไรก็ไม่เจอฉันใดเรื่องใจที่บริสุทธิ์ใจที่เป็นมิมุตก็ฉันนั้นเกิดขึ้นจากผลคือการกต่ทำมลเช น, านาเการขาดเพียงพยายามเมื่อมีสจิเมื่อมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตายใจของเราชำระหักแห้มเกี่ยนความคิดความปรุง ทางชั่วอยม่เสมอแต่ทําบําเพ็ญทางใจเยียวเย็นณชำระเึื่งที่ถัดข้องเึื่งที่หยุดใจไปยินดีหยุดข้องต่างๆออกไปอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพืนความละเอียดเึง่หยุดป่อยวางธรรมดาหรือลงรวมในเกี่ยวข้องกับอันอืน่นเมื่อถอนขึ้นมาแล้วต่อมา การเหี่ยวข้องมีการเปงแต่ไปในส่วนต่างๆเกิดความสงสัยเกิดความเศร้ามองหรือดีใจนี่เนเรื่องของความลงรวมของใจจิตสงบแยกยันเข้าไปไม่มีการ ม, มีสมัยสัญญาอารมภายนอกที่จะมาครอบครเกี่ยวข้องแต่ยินดีที่นี่พีจ น, นะธรรมะซึ่งเป็นเครื่องสัมผัสอยู่ในจิตในใจละเอียดละอวเข้าไป ในใจแคตุไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นอืนี่คือความละเอียดของใจที่เคยศึกเคยอบรมมาพอเหนไปจากในจิตในใจของผู้ปฏิบัติพอเมื่อมันลดมันพ้นไปอย่างไรความละเอียดเราอวส่วนนี้ไม่ใช่ความหยุดความพ้นความรวมความรวมของจิตของใจเคยเห็นอย่างไรแต่ความเป็อนตจเกี่ยความบริสุทธิ์จริงจัง คือเรียกว่ามีมดเลืดมดพานซึ่งท่านผู้รู้ทั้งหลายบัญญัติเอาไว้ก็ไปจากพัดใจึ้นในตัวของตัวไม่ใช่อาการที่สงบไม่ใช่อาการที่จุดลงรวมเป็นความเกิดขึ้นที่เกิดอันหนึ่งซึ่งในขันคื่เรายังประพฤติปฏิบั ต, ติไม่จะจบเพืเห็นความสงสัยภายในจิตในใจว่าเราจะ เกิจะตายอีกต่อไปไหมเราจะดีจะชั่วอย่างเรามันไม่มีเพราะกระจับในผู้ประเทศปฏิบัติอย่างนั้นนี่ธรรมะที่พระองค์ท่านแนะนํำค า, าสอนพวกเราอยากจะให้เข้าใจอยากจะให้เห็นอยากจะให้เป็นในตัวของตัวแต่พระพุทธเจ้าถึงเราจะไม่ปฏิบัติหรือประบัติ ในทางทั่วทา่านกร็ไปเสียโดยตามเราแต่เพื่อทางดีทา่านก็บริเนี้ส่วนจะมาแบ่งกันจากพวกเราไปแต่เหตใดเหือค้ า, คามเมตตาเหตุาคว า, ามสงสารเห็นว่าัดทั่วไปทุกยากลำบากในการเกิดการตายท่านจึงพยายามแมนะนำาำ่อนบัญญัติธรรมะ ทำม่เอาไว้เพื่เป็นทางศึกษาของคุณระบุตรผู้เกิดมาสุดท้ายายหลังก็ได้ศึกษาและตัางนาต่างตาประพฤติปฏิบัติตามทันนีีเนื้อตาอย่างนั้นไม่ใช่ว่าท่านจะมาแบ่งเอาความดีจากเราและท่านมาเดมเอาความทั่วจากเราอีกเหมือนกันเพราะท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ตามแนวการสอนความดี คามเมตตายกุณาต่างแค่ไม่ใส่สอนจะเอาดอกเี้ยกำไรเงินเงินเดือนอะไรเอาดีเอาชั่วอะไรจากพวกเราพวกเราควควิจารณาถึงตนาอันบริสุทธิ์ของพระเจ้าอย่างนั้นแล้วก็สอนใจทั้งตนเมื่อท่านมีเมอตาสงสามประเทศปฏิบัติมาเข้าพระไทยไปจากชาติเกินละ ฐานอะไรได้หมดจนถึงเป็นผู้วรรุษสุดเช่นศาสจันดาไม่มีบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งในใจโลกจะเสมอเหมือนพระองค์ได้พระองค์เป็นผู้เปิเดเผยด้วยเศีขนาดนั้นเรายังจะเชื่อที่เหนือปัญหาของเราว่าเป็นผู้ดีด้วยเศียรจากพระผู้ใต้จ้าอยู่หรือเราต้องสอนตัวของเราไม่เมื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นภายในจิตในใจจึ่งเป็นไปในทางเสื่ว เม่เราที่ได้ไปเจอนาะพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เปิดเผยบริสุทธิ์แนะนตัวของพวกเราด้วยความบริสุทธิ์ใจในเมตตาตุนาในสัตว์ทั่วไปอย่างนั้นการจะทำบำําเพญความดีถึงเป็นสายมาัดจะมีทชีวิตคูนขึ้นเพราะเชื่ อ, อพระเมตตาของพระพุทธเจ้าเพราะทางเส้นนี้พระพุทธเจ้า บอกว่าเป็นไปเกี่วความตอดไั่หรือถึงจุดหมายตายทางไนดะ้ล้วก็กล่าวตามค่ม า, าั่อย่างไม่ลนละหากเราในที่นี้ที่จะมนะาทำเนมะ่ยปล่อยใจไปสังคมปล่อยใจไปเกี่ยวข้องตามอารมณ์สัญญาชิน้จเคยสุดเคยขอ่วงมามากมาเท่าไรใจไปงนับวันจะวุ่นจะวาย จะสังเวีนจะเดือดร้อนขนก็ประจักษ์ใจิตในใจของพวกเราท่านอยู่แล้วการเกิดการตายการได้การเสียการกินการดื่มการหลับการนอนการเกิดการเทนสังสารความสุกมีขนาดไหนพอแต่ความทุกข์หรือไม่ให้พีุ่ชพี่เจนาดูไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันมีเวลาที่อยากจะบอกนุชปฏิบัติเจ้าแน่ ไปฮะความสุขอันบริสุดจะพค่เชินหลงนั่นมุดหลงนี่หน่อยเดี๋ยวก็เบื่อเด้วก็หลงมีอย่างนั้นเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็เกลียดเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ติดใจมันแบบนี้จิตใจเขาเปลี่ยนเราแปวนเปลี่ยนแปลงอย่อย่างน้แท้ๆคือารมณ์คือเราไม่ชอบจนบางตาบางเวลา แตกลับชอบอยู่เป็นบางาใจบาเวลาจิตใจทํำไมขึ้นมจับปลอกหลออหลอนอย่างนั้นแค่ดได้จับจุดเรื่องของใจตัวไหมในซอยนี้บุคคลผู้ใดที่เจรนาตัวส่วนนี้จึงยินดีในการเกิดการตายการเกิดากดารแทนต่างหากเราคิดดันดีขอามันมันดีมันชั่วยอย่างไรมันจับกลอกหลออหลอนเราอย่างไรคิดมันชี้อยู่กับนามสมมไป เรื่องความความทุกข์เพียงพอต่อกันหรือไม่ก็จะเห็นผลเห็นกำไรหรือเห็นการขาดคุณของตนในการคิดการปุงการเผชิญการพนันต่างๆนี่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะติตของเราไม่ได้อยู่กับตัวปัญญาของเราไม่ได้สอนตัวคิดตั้งใจเรื่องนอกนอเรื่องอารมณ์อื่นไม่ได้ละลึกๆเข้ามาในตัวทําเป็น ออปะนจิโกเพื่อให้น้อมเข้ามาในตัวทานั้นเหตุนี้ก็ดีได้ยินก็ดีให้น้อมเข้ามาสอนตัวค้องตัวตัวค้องตัวเป็นผู้ได้รับตัวค้องตัวเป็นผู้รู้แต่เมื่อสอนตัวค้องตัวในลืมไปเหตุเชิญไปหากสอนตัวค้องตัวสม่ำเสมอไปที่นี้พิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้าเสมอไป ยังอธิษฐาะเรามีความแฉะเป็นธรรมดาล่วงคนการแฉะเปในธรรมดามีการเกล่ยดกวามไถ่เป็นธรรมดาและมีการตายเป็นธรรมดาแต่ถ้าข้าจากของรักของชอบใจทุกสิ่งทุกประการไปแต่จากในใจอยู่อย่างนั้นที่เจ้านาอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกเวลาเงี้ยผู้นั้นจิตใจใจเห็นโทษในการปรุงการคิดการเพิดการเทลนต่างๆจะเบื่อน่าย จะเป็นสัมมาวายาโมนี่เป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิาาธบด้ถ้าไม่คิดในที่นี้พิจารณาอย่างนั้นถึงอาการของตายจะเดินจนฟมอยู่ก่อตามนั่งภาวานาอยู่ก่อตามจะจิตใจปรุงพุ่งไปสู่ีิเลิอปัญหามานะทุกขิสัญญาวนต่างๆไม่ใช่เป็นสัมมาวายาโม จอไม่ใส่ความเพีย่นที่ชอบใส่ส ม, มาธิจอไม่ตั้งสมาธิใชอบปลอยสมาธิใส่สมาสมาธิจะจิตใจของเราจะไม่หนักแน่นในเหตุในผลจะเชื่อปัญญาลมภายนอก เ, เพื่อควรจะต่างๆเมื่อไม่ถูก ทางความาความเพียนในถูกทางสติทางสมาธิปัญญาลิบิชาซึ่งเป็นส่วนของคำอันละเอียดจะในเกิดขึ้นมาเห้นผลขึ้นเมืม่อในเห้นผลทางคำภายในใจการเชื่อการ่วมใส่การยินดีการพอใจมันก็ไม่มี ในจิตของบุคคลผู้นั้นผู้นั้นก็เราเกิดมาเป็นเหมือนเป็นโมฆะสะสมชัพระพุทธศาสตรสนาระบวชเรียนเช้นอ่านเป็นธาเป็นเงินอยู่ก่อตามได้ระดับรับตั้งอยู่ก่อตาม ว, ว่าเราชื่อว่าผู้ใดดืด่มรสของศาสตร์สนะชีวิของบุคคลผู้นั้นเป็นโมฆะหนะาสารประโยชน์ไม่ไ่้ เราต้องสอนใจของเราและต่างหน้าต่างตาทีนี้ที่จะเรียนมาตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสอนขอเข้ามาในจิตในใ จ, ใจเทียมก่เป็นเป็นตัวของเราเองเทียมเรื่นจะเป็นเรื่องของตัวของตัวเองเป็นผู้จะเงื่อนศาสนาผู้ที่จะรักษาก็คือเราคนเดียวแถวนี้พระพุทธเจ้ามอบให้เราหน้าที่ของเราจะศึกษาหน้าที่ของเราจะกระเพื่อปฏิบัติหากเราไม่เห็นในเทียม ถึงบุคคลผู้อื่นจะมีจํานวนเหมื่นจำนวนแสนเข้าดีก็เป็นเรื่องของเขาเข้าไปสวรรค์ไปนิพพานเป็นเรื่องของเขาส่วนตัวของเราทุกจนลามบ่าก็จะเป็นสัตว์ในเป็นเกิดสัตว์ใายสัตว์จึงได้ฉากราษ์เพราะเราไม่มีดีอะไรในตัวของเราถ้าหากเราดีเราเห็นเราเป็นประจักษ์ชัดเจนในการประเพื่อปฏิบัติของเรา คนอื่นเขาจะตือนจะเสียทั่วโลกเขาจะไม่มีความยินดีเรื่มใส่แต่ถ้าเราต่อตามเราก็ไม่เสียได้เดเขาเรายังดียังงามอยู่จิตใจของเรายังบริสุทธิ์อยู่ดูอะไรที่เราคิดไปที่เราพูดไปที่เราทําไปแต่จากทัดใจกว่าเป็นทางที่จะนําความสุขความเจริญมาให้จิตใจของเรา ก็ฟองใสเยียดเยินไม่เป็นไปตามบุคคลจํานวนน่ะที่เขาเสื่อมเขาเสียเขาไม่ยินดีแต่เั้าของเรามันดีอยู่แต่จักอยู่เขาหิวเ้าห้อยเขาป่วยเขาไข้ทั่วบ้านเมืองเมืองเขาตามแต่ถ้าหาเราไม่ป่วยไม่ไข้เราไม่หิวไม่ห้อยเราอื่นเราก็มีความสุขไม่เป็นทุกข์กับเขาการต่อพืปฏิบัติ เป็นของเฉพาะบุคคลไม่ใช่จะอาศัยจริงจริงบุคคลอื่นได้พระพุทธเจ้ายังเป็นผู้แนศสอนเท่านั้นคืบาาจารย์เหมือนกันเถากันไม่ได้เถื่อเถื่อแผกันไม่ได้เป็นของเฉพาะตัวเขาตัวเราเหามือน ก, นกันกับการกินขา้าวคนหนึ่งจึงจะเให้นคนอื่นซกินคนอื่นไม่ได้คนใด กินคนในรับประทานคนนั้นก็จะอื่นไปจากส่วนในตัวของบุคคลผูนนั้นคนที่หงอยหงอยจะไปนั่งเต่า อ, อยู่เขาอินแล้วเราจะมีส่วนกับเขาตอนมีวัามีเวลาที่จะอินจะบรรเทาความหิวของตัวลงได้ขันใดความต่อเพืปฏิบัติด้านที่ด้านใจก็องทำานาเดียวกันเหวุนั้นขอทุกท่านจงพยายามจะทาบำเพ็ญให้เห็นหน้าศาสนา เราคนเดียวแถวนี้จะเป็นผู้รักษาเราคนเดียวแถวนี้จะเป็นผู้ไปติบตัดถ้าหากเรารักษาตัวของเราไม่ได้กแบบ็คือเราทำลายศาสนาของพระพุทธเจ้าให้เราเล็กเมกอ ย, อย่างนั้นหลักคำเพี้ยนที่พระพุทธเจ้านี้สอนก็พยายามบังคับใจให้ใจทำ็นนี้น็นหน่วยอย่ยาไปปล่อยจิตใจ รอใจสู่สัญญาอารมณ์อันอื่นสอนใจท่องตนสืู่ทุกวันทุกเวลาหานัดภาวนานัดกรดับตัดฟังไปไขว้จิตใจมาสอนใจทองตนอย่างนั้นก็นัดวันที่จะไปพบพบเห็นความสุขความเจริญทางใจเงินชีสุดก็อนจะถึงอีมดอย่างพระพุทธเจ้าหรืออริยะเจ้าทั่วไปที่จะทําบนเช่นนั้ เราเรีคือว่าผู้นั้นเกิดถูษาเสนาเป็นผู้รักษาศาสตเสน่หอย่างมั่นคงถูกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าผูกพัดใครของพระองค์ที่มุ่งอยากจะให้พวกเราได้รับความสุขความเจริญความหยุดความพ้นจากที่เหนื่อตั้แหาเราทุกคน ที่เข้ามาบวดเป็นพ่าเป็นเนตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาในวัดในวางมาด้วยกับดิาใน่ใ่การบังคับหรือรับจ้างบุคคลผู้ใดเมื่อเราทิจารณาอย่างนั้นวันเคืนที่เรามีชีวิต็นอยู่เราจะต้องเอาคำรู้คือสติปัญญาสอนใจของเราให้ทเจาราตามสัจจะธรรมของพระพุทธเจ้าพบ สมุทัยนี้ระเบิดมเป็นอย่างไรให้เห็นใจจากในใจพัดนเมื่อเห็นทุกข์ก็จะถูดไปหาอะไรเ่อปลอใให้ใจเสีทุกข์ก็จะเห็นตัวสมุทัยเนความอยากของใจเมื่อเราเห็นสมุทัยเรากลละได้ปล่อยได้วางได้ไม่ให้ใจไปั้งคมเกี่ยวข้อ ไห่เลนไม่เรื่องเหล่านั้นส่วนใดที่ใจป่อยวางไม่เกี่ยวข้องเป็นส่วนตามส่วนตางหรือส่วนสูงสุดกว่าดีก็ได้คือว่านี้จบคือเราเห็นเราเป็นแรื่งประจักษในเราส่วนที่เราเห็นเราเป็นเรื่องประจักษอย่างนั้นมันพัดเกินในจิตของผู่เห็นผู้เป็นและทั้งที่เรา เห็นเราเป็นเรารู้เราเข้าใจอย่างนี้เราเราระพูดปฏิบัติอย่างไรเราดำเนินการกระทํำมำเพลินอย่างไรผลเป็ป ร, ะ, ออรจะจัดแต่ตัวของเราอย่างนี้ก็เราชื่อว่ามรรคคือ ท, ทางรประปฏิบัติเมื่อรารู้ว่าการที่นึกคจดอะมาอย่างนี้การบางังคับจิตอย่างนี้จึงเกิดผลอย่างนี้ประทับจิตประทับใจของเรา เมื่อเวลาเติมไปเยอะไปเราก็จะทำบาเพนหน่อยใเขาคิดเขาใจในการกระทำบาเพนของตนคือด้เน้นมากให้ามอกมาตายตองเขา้าวนผลจะไปจับความสุขความสบายความปล่อยความางของใ จ, งจ เ, เหียกว่านี้โลกจะจับแค่เทียงห็นมีอย่างนั้น มีผู้ประเภทจะดีัับทางธรมะภายในและมึดจนไปเกิ่วความเสียหเยจนไปเกิดราได้คือความดีไปจากชาติเย็นอย่างนั้นเรื่องภายนอกที่ทันบอกทานสอนกันมันมีมากมายหลายกอเรื่องทนแนะนำทันสอนของพระพุทธเจ้า การต่ำต่างๆและการสูงพวกเราไม่ควรที่จะจิดข้องในสายต่ำจกินเกินไปให้มันพยายามที่นิพพยานาตายลายใจใจด้วยจิตด้วยจัญญาให้มากเข้าไปเพรากะการนิพเจานาหน้าเข้าไปจะเว้นผลการละการถอนท้องใจเกิดขึ้นไปจากเมื่อเว้นผล เม่อเราจิตใจจะเชืาา่อจะเลื่อมไสในสํในาสอนของพระพุทธเจ้าแถวนั้นการปฏิบัติจะในต้องเราดังพัดบัญชาเพราะเห็นว่าเห็นเรื่องจำเจป็นเฉพาะตัวว่จจาต้องกระทำบงเพ็ญในเหมือในจิตใจถื่อใจลุมหลงหรือวุ่นวายสายตาการ รดับและฟังคำคำสั่สอนของพระพุทธเจ้าพวกเราเคยได้รดับและฟังมาหลายเลนหลายชาติอันใดเป็นยาสาหรับแจ้ไขที่เหลือตังหาของเราอิจใจของเราชอบอิจใจของเราได้รับกวามเยาะเยินจากการกระทาบาเพ็ญจากการได้ยินได้ฟังนำเอาทำส่วนนั้นไปลดทิพย์ท่นี้พี่เจ้ามาเพื่หาทางชำร ่หายตายตให้หมดออกไปจิตใจให้ลอมสบายสาจสงบเยือกเย็นะข้ออุปาทานของจิตอใจียึดมั่นสงคัญหมายต่างๆจนหัหาหน้าหาตาหมดที่ลปัญหาจับในจิตในใจยงจะได้คือว่าเราไปถึงจุดสุดของธรรมะของพระพุทธเจ้าได้หากเรายังสงสัยส่วนใด ก็ให้หมั่นพินิตรเจนมาหรือจิตใจไปคล้องจิตอไอก็ให้ถามทํานหูเพื่อท่านจะได้เนื้สอนตัวของเราอีกต่อไปนึ้ใจล่ะสงสัยแล้วก็จะไม่ไปถามใครแต่พิจิตรเจนใะนในตัวของตัวเองทำอย่างนี้ก็าทำได้หากเราพิจินะตรเจนมากันจริงจังเพราะมันเกิดสงสยัยมันสงสัยได้ การที่เจานะ่าจะใหัหาสงสัยก็ไม่ใช่บุคคลผู้ใดจะมาแนขอนให้ถ้หาเราที่นีเจ้านะ่า จ, จิตใจมันก็ควายได้ว่างได้หาส่องใสได้อีกนั้นกันแต่เ้าว่าอาารอยู่กับครูบาอาจารย์อารยศึกษากับผู้มันสะดวกกว่าสบายกว่าเพราะท่านบอกให้มาจิตเจคล่องอยู่ในส่วนนั้นเพราะการ ที่เรามีสมาธิน้อยไปหรือมีความทุกความเห็นไปในบ้านใหม่อย้ยตั้งใจที่นี้พุจธเจ้าอย่างนั้นจากท้ใจจะถอดสิ่งทอนออกจากความช่งใสัยกเราไปศึกษาไปวัเร็วเข้าไปเห็ทป่าหือเราไปศึกษากับบุคคลผู้ใดเลยพระพุทธเจ้าช่วยท่าน นานที่ในตัดสรุปก็เพราะในนี้ครูมีอาจารย์ที่จะเจรนาโดยลำพังของพระ อ, องค์เองเพียงพระวัตรที่เกิดเกิดขึ้นอย่างง่ายดายต่อพระพุธธทธเจ้าเป็นผู้บอกผู้สอนให้หละที่เจรนาไปเหมือนกันกับคนที่ทำถนนต้งเาแต่บุงคนที่เดินตามถนนเธอไปสันใได้าวัตร ที่ท่านในตานชลูง่ากป่าพระสาดสดาก็พระเหตุว่าพระพุทธเจ้าท่านทำถนนจนแล้วนี่แะเดินตามรอพระบาทของพระองค์แถนั้นที่ในตานชลูง่ายอย่างพระตายดิบุตรหมู่ธนราเลืหลายท่านหลายองค์ตามประลัดธนราศี่าวไว้มีพวกเราท่านคงไม่สนใจอย่างนั้นการจะพุทธปฏิบัติมาก็เป็นเวลาชาแนลจะจะรู้เห็นจนขึ้น ใ่ทำแต่จากคาดเในจุตใใจไม่ครู้เคยเห็นเคยเชขึ้นให้เพราะที่เราไม่สนใจฟางก็งพอเชื่อม่ได้ก็เพียร์จีบัดพอาะเชื่อนได้ไม่ตั้งหน้าต่างตาแต่ทำบมเพิ่ภาวนาจริงจังผลจึงกะจในตัวยังแฝงอยู่แต่ปัจจุบัน เราทําจริงทำจริ ง, งผลนั้นก็จะเกิดจรินเกิดจังขึ้นกับเราให้ไปจับคาเทียนในตัวของเราทําของพระพุทธเจ้าเป็นของเฉพาะตัวอย่างนั้นส่วนนั้นจึงควรสอนจิตสอนใจของตนควรกับทําบำเพ็ญขัดหน้าอย่าไปหลังพึ่งมันเพราะเราไม่แน่นอน ไรยังเลยรู้จักแต่เราจะเกิดเป็นอะไรอีกหรือจะเปลี่ยนเป็นเือนขมุนเถือพระทิดาคนยินเปงนพรายุก็ยืนยงยาวนานใครจะไปมาสร้างคุณง า, า, า, งลลามาาความดีก็ยากคนที่เสมอผลไม่ใช่เปนที่ก่อสร้างส่วนมนุษย์เราพระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์สาววักทุกๆองจิตจ่มรัตเป็นอาหารแลอาหารก็เป็นมนุษย์ทางนั้น เราเป็นมนุษย์พกพอบริบูรณ์อแล้วอุปกรณ์พอแล้วนี่แต่เราจะลงมือทำเท่านั้นให้ตั้งใจทำกันอย่างจริงจังเมื่อพวกเราได้ระดับรั้ฟังธรรมะถึงเป็นแนวทางขอ ง, างการสะธิตปฏิบัติเพราะเชิงนำไปที่นิสิตเจนะหาเห็นว่าเป็นทางที่ดีที่ถูกแล้ว ก็ลงมือปฏิบัติไปผลจะไปจากกับใจของผูง้กระทำมุมเทนเองในอวาสานการปธิบาติทำขอความสุขความเจรเิญดวงเกิดมีจต่ันปู่ฟังหัวหน้าบันเทินเรืเอ่อ แต่คงไม่พูดว่าเราเป็นเหรียญนะเนี Four <t doivent harder>